ระยปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่24สทัศกนิบาทชุมนุมธรรมะที่มีส0บข้อทุติยปนนาฏหมวดห้าสิบที่สองวคที่หนึ่งสจิตตวักว่าด้วยจิตของตนตรัสว่าถ้าภิกษุไม่ฉลาดในเรื่องจิตของคนอื่นก็ควรฉลาดในเรื่องจิตของตนและตรัสว่าไม่ส่งสรรเสริญความหยุดอยู่ในกุศ ล, ลธรรม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 หวังได้ปัจจัยสี่สหวังให้มีผลมากมีอานิสง์มากแก่ผู้ถวายปัจจัยสี่สหวังให้มีผลมากมีอานิสง์มากแก่ญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วมีจิตเริ่มใส่ระลึกถึงหหวังสันโดษด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้หกหวังอดทนต่อเย็นร้อนหิวกระหายสัมผัสเหลือบยุง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 ความคลุกคลีด้วยหมูเป็นเส้นนามของผู้ยินดีความสงัด2การประกอบหนึ่งเนืองซึ่งนิมิตว่างามเป็นเส้นนามของผู้ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งนิมิตว่าไม่งาม3การดูการเล่นเป็นเส้นนามของผู้สํารวมอินทรีย์ 4. การเที่ยวไปใกล้มาตุคามเป็นเส้นนามของพรหมจันทร์ห เสียงเป็นเส้นนามของฌานที่หนึ่งวิตกวิจารคือความตรึกและความตรองเป็นเส้นหนามของฌานที่สองเปีติความอิ่มใจเป็นเส้นนามของฌานที่สมลมหายใจเข้าออกเป็นเส้นหนามของฌานที่สี่เสัญญาคือความกำหนดหมาย และเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์ว่าสุขทุกข์เป็นต้นเป็นเส้นหนามแห่งการเข้าสัญญาเวทะอิตะนิโรธ 10. ราคะคือความกำหนัดยินดีและโทสะความคิดประทุษร้ายเป็นเส้นหนามทั่วๆวไปตรัสว่าธรรมสิบประการที่น่าปรารถนาน่าใครหน่าพอใจ แต่หาได้ยากในโลกคือ 1. ทรซับย์ 2. ผิวพันธ์ 3. ความไม่มีโรคสีศีล 5. พรมจรรย์การประพฤติเหมือนพรมคือเว้นจักกรรม 6. มิตร 7. การสดับตรับฟังมาก 8. ปัญญา 9. ธรรมะ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 การไม่ท่องบนเป็นอันตรายแห่งการสดับดรับฟังมากแปการไม่ตั้งใจฟังไม่ไต่าถามเป็นอันตรายแห่งปัญญาเก้าารไม่ประกอบเนืองเนืองการไม่พิจารณาเป็นอันตรายแห่งธรรมะ1ิ 10. การปฏิบัติผิดเป็นอันตรายแห่งสัตว์ส่วนอาหาร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 ธาตุกรรมกร 5. สัต ส, สีเา้าศรัทธา 7. ศีล 8. การสดับตรบฟัง 9. การสละและสปัญญาตรัสแสดงบุคคลสิบประเภทคือหนึ่งทุศีลปฏิบัติมีแต่เสื่อมสองทุศีลแต่กลับตัวได้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 ความโกรธดับไม่เหลือปฏิบัติก้าวหน้า 9. ้าฟุ้งซ่านปฏิบัติมีแต่เสื่อม 10. บฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านดับไม่เหลือปฏิบัติก้าวหน้าตรัสแสดงแก่พระอาหนณ์เพื่อแก้ข้อข้องใจของมิคาสาลาอุบาสิกาดังนี้หนึ่งตรัสว่า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 ความทุศีลก็ไม่ควรจะละความเป็นผู้ไม่ใกล้จะเห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใกล้จะฟังธรรมะของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดจับผิดได้แดตรัสว่าละธรรมะสามอย่างไม่ได้คือความไม่มีศรัทธาความไม่รู้คำที่คนอื่นพูดความเกียดคร้านก็ไม่ควรจะละความฟุ้งซ่านความไม่สารวม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 แจกจ่ายทำบุญและติดไม่เห็นโทษในทรัพ์นั้นสิบทำตัวเองให้เป็นสุขแจกจ่ายทำบุญแต่ไม่ติดและเห็นโทษในทรัพ์นั้นแล้วตรัส ช, ชี้ถึงบุคคลแต่และประเภทเหล่านั้นว่าประเภทไหนถูกติเตียนกี่ทางควรสันเสริญกี่ทาง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 ความเห็นนั้นๆก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้วดชิยมาหิตะเขราหาบดีโตตอบกับพวกปริพาชกถึงเรื่องการบำเพ็ญตบะว่าพระผู้มีพระภาคทรงติสิ่งที่ควรติสันเสริญสิ่งที่ควรสันเสริญทรงเป็นผู้ตรัสจำแนกตามเหตุผลไม่ตรัสแง่เดียว ปุติยาริภาชกเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามถึงทิฏฐิสิบมีเรื่องโลกเที่ยงเป็นต้นตรัสตอบว่าพระองค์ไม่ส่งพยากรทิฏฐิแต่ละข้อเหล่านั้นพระอานนท์จึงชี้แจงเหตุผลที่ไม่ส่งพยากรให้ฟังพระอานนท์โต้ตอบกับโกกานุทัตบริภาชกถึงเรื่องทิฏฐิสิบประการในทรรนองคล้ายกลึงกัน